สุธรรมะสู่ฟังสักหน่อยนะนั่งาสบายไม่ต Jamie, tamam. lonely, ้องนั่งเพราะเที่ยวก็ได้บนั่งขัดสมาธิภาวนาไปในตัวก็ได้บฐาไนสบายแล้วนั่งเลยเดี๋ยานอนทนถอะนอนผิดไปอีกหนึ่งการฟังธรรมะเป็นการชำระจิตใจ จิตใจของคนเราโดยส่วนใหญ่สกรปรกอย่างสังขารความนึกคิดต่างๆทำให้จิตใจสกรปรกเหมือนเสื้อผ้าของเราติดใช้สอยอยู่บ่อยถูกอันนั้นเกลื่อนอันนี้ทำให้สกรปรกได้การซักฟอกเป็นหน้าที่ของคนใช้ที่จะซักฟอก เกิดความสะอาดหนุ่มหมสะดวกสบายมีเรื่องจิตใจก็ทำนองเดียวกันเราใช้ตลอดวันตลอดคืนคือการนึกจิตเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้การฟังธรรมะฟังเพื่อตำระมนทินของจิตเพื่อความสะอาดหมดจดของจิตเพื่อความสงบ เย็นของจิตฉะนั้นการฟังธรรมะระยะที่ฟังเราจะต้องตั้งใจเอาไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องคิดไปในอดีตที่ผ่านมามันจะชั่วจะเสียจะดีอย่างไรนั้นเป็นเรื่องอดีตไม่ควรนำมานึกคิดให้จิตของเราวาวุ่นเหหัน <c oughs> อนาคต <c oughs> ยังไม่มาถึงก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปปรุงไปคิดไปขาดไปหมายอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งจิตเอาไว้เฉพาะหน้าภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั้นจิตใจของเราจะเย็นจะสบายจะสงบระงับคนเราจิตเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของกาย ถ้าจิตไม่สงบจิตวุ่นวายจิตเดือดร้อนจะไปแสถานที่ใดก็ลำบากทุกยากถึงจะอยู่ในที่เยือกเย็นขนาดไหนกายมันหนาวใจมันก็ร้อนท่านจึงให้สอนตัวเองเกื่ความสงบจิตหาทางสงบจิตคือทมภาวนา บริกรรมหรือกำหนดลมเพื่อจิตจะได้สงบเพื ục, ่อจิตจะได้รวมหยดเย็นลงไปเพื่อพักผ่อนใจพักผ่อนจิตนี่เป็นอุบายวิธ <c oughs> ีของทุกคนที่ตนใจในความสุขแต่จิตบุญวายเดือดร้อนหมดคุณค่าเขาของที่เราหามาแทนที่จะเย็น ตาเย็นใจไม่เป็นอย่างนั้นเดือดร้อนไปหมดจิตชั่วจิตเสียจิตโกรธคนอื่นเขามาดีดีพูดดีดีก็โกรธให้เขามันใหม่มันเผาไปหมดทั้งตัวเองและคนอื่นแต่นั้นจึงควรระ ง, งับเรื่องของจิตให้พักผ่อนให้สงบถ้าเราพักผ่อนได้สงบได้ก็เหมือนกันกันกบเรา ทำงานเหน็ดเหนื่อยเหมื่หิวมาทาอาหารพักผ่อนหลับนอนสะดวกสบายแล้วกําลังทางกายที่จะไปทํางานอีกมันเกาะมีพอที่จะต่อสู้กับการงานต่อไปได้แต่เห็นว่างานยังไม่สําเร็จอย่างไรก็จะทําให้มันเสร็จในวันนี้แต่งานมันใหญ่เหลือมือแล้วก็มุง่ง จะทำอยู่อย่างนั้นผลที่สุดไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทานอาหารร่างกายก็เสียเปียแทนที่จะงานนั้นจะสำเร็จรุล่วงไปก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรให้ฉันใดเรื่องของจิตของใจก็เหมือนกันท่านจ่รู้จักพักผ่อนจิตใจพินิจพิจารณาระงับดับสังขารจึงเป็นผู้จิมีปัญญา สามารถทำการงานด่านของโลกหรือด่านของธรรมได้สะดวกสบายฐานเหนื่อยมากกว่ารีบพักผ่อนด่านของจิตไม่คิดให้ปรุงความคิดปรุงโดยส่วนใหญ่จิตของเรายังอยากไม่พอใจว่าการคิดปรุงนี้เป็นการงานสําคัญทําให้จิตใจเหน็ดนเหนื่อยลําบากเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าภูมิ ละเอียดเข้าไปจิตสะอาดเข้าไปยองขอใจชัดเจนว่าการคิดจริงต่างๆนั้นเป็นการทำงานทางจิตทำให้จิตฝ่ <c oughs> อทำให้จิตเดือดร้อนทำให้จิตวุ่นวายได้เหมือนกันดังนั้นการระงับเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญจิตดีจิตมีความสุขถึงกายจะเป็นทุกข์อยู่บ้าง แต่ก็พออดพอทนยิ่งมีสมาธิปัญญาในทางธรรมะท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรกับเรื่องของกายท่านพิจารณาแยบคายระยะที่มันสุกมันสบายท่านก็พิจรารณาระยะมันทุกข์มันจะไปถึงไหนท่านก็พิจรารณาทราบในใจของท่าน นจึงไม่วันไหวเหมือนพวกเราธรรมดาซึ่งไม่เคยศึกษาไม่เคยอบรมปฏิบัติพอโดนอะไรเข้าก็ไมมทราบว่าจะไปแก้ไขอย่างไรจิตใจของเราจึงจะปกติดีงามเลยวุ่นวายเดือดร้อนทั้งๆสิ่งนั้นมันเคยมีมาก่อนแต่เราไม่ได้พิจารณาหลวงหนาเอาไว้ไม่ทราบว่าวมันเป็นมา แต่เมื่ อ, อไรและมันสาเหตุเพราะมันเกิดขึ้นจากอะไรเรื่องการภาวนาการทำความสงบเบื้องต้นจึงเป็นเรื่องสำคัญทุกคนจะประพฤฏิบัติฝึกหัดตัวข้องตัวให้เห็นให้เป็นเพราะความสงบนี้ปกติกายไม่สงบเกิดโรคไข้ไข่เจ็บเราก็มีความทุกข์ ครอบครัวไม่สงบจะอยู่ด้วยกันทะเลาะวิวาทกันผิดเถียงกันขาดตีกันครอบครัวนั้นก็ไม่มีความสุขประเทศชาติไม่สงบลบลาข้าฟันเกิดต้องคลามกันก็อยู่ลำบากเรื่องจิตใจไม่สงบก็ทำนองเดียวกันถ้าจิตใจสงบได้มันเย็นมันสบายไม่วุ่นวาย ทั้งทงที่โลกเขาป่วนปั่นเหฮหันห <c oughs> ลุ่มหลงกันในเรื่องต่างๆแต่ผู้ภาวนาละจิเลสฝึกจิตใจเสือความสงบภายในท่านไม่ได้จิดได้ปรุงไปเรื่องัางนอกตลอดถึงสังขารร่างกายของท่านท่านก็ทราบดีเพราะมีธรรมเป็นเครื่อง <c oughs> พินิจพิจารณาอยู่สม่ำเสมอทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เกิดก่อตามเราเกิดมาแล้วกว่อตามครั้งหน้าจะมีมาอีกกีหมื่นกีแสนปีก่อตามมันก่อเหมือนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี้คือมีการเกิดขึ้นสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการแปรปวนและแตกสลายในว่ารูปอะไร ทำนองเดียวกันไม่ว่าเสียงอะไรไม่อย่างนั้นโลกอันนี้อยู่ไม่ได้เพราะรูปที่เกิดมาแล้วดับไปนั้นนับไม่ถ้วนเสียงที่ดังจนเจ้าหูจะแตกถ้าหากมันไม่แปรปวนไปเราก็ฟังอะไรกันไม่ได้เพราะเสียงนั้นมันดังถ้าหากมันยังคงเสถีคงวาอยู่เรื่องต่างๆมันเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายภายในของเราก็ทำนองเดียวกัน ขาดขันของเราก็เป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยจิตใจไม่สงสัยจิตใจไม่ห่วงไม่จิตเพราะการที่นิพพิจารณาเพราะการทาลายใจของตัวเห็นอา น, นิสงส์ไปจับในตัวอยู่ทุกการทุกเวลาเกิดมาแล้วหน้าที่ของเราควรจะทําบําเพ็ญตัวอย่างไร เราก็ทำไปตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ที่ันบอกว่าให้ละเราก็พยายามละจนหมดทางที่จะละสิ่งที่ที่ันบอกให้บาเพ็ญเราก็บําเพ็ญจนเต็มความสามารถจนหมดทางที่จะบําเพ็ญต่อไปผลที่สุดสิ่งที่เหนือเรื่องละเรื่องบาเพ็ญเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเกิดเรื่องดับคืออะไร ท่านทราบในจิตในใจของท่านท่านจึงไม่มีการบ่นไหวยไม่มีกับความลำบากทุกอย่างทางใจเราไม่เป็นอย่างนั้นพอถูกอะไรเข้าก็คัดขอ้องมัวมองวุ่นวายเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันกับคนมีโรคทานอะไรเข้าไปก็คอยจ็บใจจ ะ, ะแถลงไม่เกิดทุกเกิดโทษเราจะต้อง ระวังสั้งวร อ, อาหารอันใดเป็นพิษเป็นภัยเป็นข่าสึกต่อโรคของเราพอทานไปอันนั้นทําให้ธาตุขันปวนปั่นเดือดร้อนเราจะต้องงดเว้นถึงอยากหิวอยู่กอตามเพราะมันเป็นพิษเป็นภั ย, เ, ภยเหมือนยาพิษเกือบน้าตาลข้างนอกหวานข้างในเป็นพิษต้องละต้องเว้น เขียนว่ามันหวานแต่ทานลงไปพอทานลงไปถาดขันภายในอ ย, ย่าผิดออกฤทธิ์ได้รับความลำบากถึงกับตายก็เป็นหน้านี่พูดถึงคนมีโรคภัยต้องสงวนระวังสิ่งใดถิดแสลงแก่โรคแก่ภัยข้องตัวไม่รับทานจิตใจของเราท่านที่มีกิเลสตัณหา มีอวิชชาเป็นตัวการก็ทำนองเดียวกันท่านให้ตั้งวอนละวังรักษาพิจารณาให้ทีท่วนก่อนจะคิดสิ่งใดหนักไปต้องทบทวนพิจารณาเสียก่อนว่าคิดไปนี้ <c oughs> นำความสุขความสบายมาให้แก่จิตแก่ใจหรือไม่คิดไปนี้เป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหา ให้เบาบางไปไหมหรือคิดไปเพื่อสะสมความทุกข์มาให้คิดไปเพื่อเศ่้าหมองขุนมัวของใจเราจะต้องพินิษพิจารณาเอาธรรมะเขาวัดเป็นบรรทัดฐานเพื่อจะแก้จิตใจหรือความคิดอ่านของเราให้ถูกต้องนี่จิตใจเป็นของสำคัญอย่างนั้นถ้าหากฉลาดรักษา มันสุขมันสงบมันสบายพระพุทธเจ้าและอริยะเจ้าท่านก็เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ก็มีธาตุขันธ์เหมือนกันกับพวกเราราคาตันหามานาทิศขีต่างๆตอนที่ท่านยังไม่ได้สำราญสางก็เหมือนกันกำนัดยินดีอยากได้เพิดเพลินโกรธหลงไปในสิ่งต่างๆมันเกิดมาจากสาเหตุอะไร เมื่อไปบำเพ็ญทรรมประพฤติปฏิบัติอยู่ในที่วิเวกสงัดไม่มีจิตการงานอื่นมาเกี่ยวข้องกำหนดจิตกำหนดใจเพื่อความสงบก่ด้รับความสงบแล้วตามสมควรเมื่อมาพิจรารณาเรื่องต่างๆที่เคยก่อควรจิตใจให้ทุกข์ ผ่านจริงสาบดีว่าอันนี้มันเกิดมาจากอันนั้นอันนั้นมันเกิดมาจากอันนี้ตัวการสําคัญก็คือจิตจิตไปยึดมัน่นหมายมัน่นว่าเราว่าของเราโดยเมาเอาของเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปกติของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแต่เราไปหลงจึงเกิดทุกข์เกิดโทษ ท่านพิจเจนาลงถึงฐานของมันเข้าใจการชัดเจนเมื่อเห็นไปจักอย่างนั้นเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นความสำคัญมันหมายหรือความลุ่มหลง ม, มันก็าหายไปเหมือน ก, นกันกับเราเปิดฝาปิดในตุ่มในหายออกดูแต่ก่อนที่เขาปิดไว้ว่าเป็นหายอะไรกันเขาหมักเขาดองอะไรเขา ถังอะไรไปในนั้นเรายังสงสัยไม่เข้าใจตามเป็นจริงแต่เราเปิดออกดูรู้เข้าใจว่าไหายอันนั้นเป็นของอันนั้นอยู่นั้นหรือไม่มีของอะไรอยู่นั้นเราทราบดีแล้วก็ไม่สงสัยซึ่งปิดไว้อีกมันก็ไม่สงสัยพอเราดูขี่ถ้วนชัดเจนแล้วมีการแก้จิตใจของตัวเองกว่าทำนองเยวกันท้าพูทธเจ้าท่านแก้ไขอย่างนั้นพิจรารณาธรรมชาติที่มีอยู่ เป็นครูเป็นอาจารย์สอนใจเพราะแก่เจ็บตายนี้มีมาแต่ไหนแต่ไรพระ อ, องค์ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกมันก็มีอยู่เมื่อพระ อ, องค์อุบัติมามันก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะมีอำนาจราชศักดิ์ขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรความเกิดมีอยู่ในสถานที่ใดความแก่ความตายไม่ต้องปรารถนาหามันก็มีอยู่ที่นั้น มันเกิดขึ้นมาจากความเกิดเรืงความแก่ความตา ย, ยจิตใจที่แก้ไขไม่ได้ที่ลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นทุกข์เป็นโทษคือคนเราที่เป็นทุกข์เป็นโทษเพราะความหลงเพราะความอยากตัณหาท่านจึงว่าเป็นบอกเกิดของความทุกข์ทางศาสนา ที่ท่านสอนไว้ว่าอริยสัจเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสัจแก่นัก บ, บวชโดยส่วนใหญ่สอนแต่อริยสัจส่วนมากแต่คนที่ยังอ่อนในอุปนิสัทยท่านก็สอนอนุปุพพิกระแสหาเสียก่อนเพื่อจะให้จิตใจยังเข้าไปในอัตในธรรมปกติได้าท่านจึงสอนอริยสัจให้อนุปุพพิกถา ปุถิดเคยศึกษาตามตำรับตำราผมพอจทราบคือทานศีลภาวนาเนกทานศีลภาวนาเนกขมักโทษของกามนี่ท่านสอนคนที่มีอุปนิสัยยังอ่อนถ้าคนมีอุปนิสัยคือการฝึกจิตอบรมใจเป็นสมาธิ อยู่แล้วท่านกรสอนเรื่องอริยสัจอริยสัจก็คือทุกข์ควรกาหนดให้รู้ทุกนั้นคือความทนอยู่ยากเรียกว่าทุกข์กำหนดให้รู้ให้เข้าใจในทุกข์อย่าไปเย็ดทุกข์อย่าไปจิตทุกข์อย่าถือว่าทุกข์เป็นเราอย่าถือว่าเราเป็นทุกข์ ผู้มาพิจรารณาทุกนั้นมันมีอยู่ทุก ท, ทุกนาม้าหากยังไม่ล้มหายตายไปคอยจะพิจรารณาได้กำหนดให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของทุกตามเป็นจริงสมุดไทยทุกที่ท่านให้พิจารณา น, านี่หมายถึงทุกทางกายทางใจสมุิไทยความก่อทุกทางใจนั้นเป็นความทุกภายใน คือใจอยากใจปรารถนาใจไม่ต้องการเรียกว่าสมุทรไทยพูดง่ายๆก็การมาตัญหาเรียกว่าสมุทรไทยคือความปรารถนาในการามอยากได้อนั้นอยากได้อันนี้นนนตลอดถึงรูปตรงกันข้ามยึดมันมม่นไม้มั่นสำคัญว่าสวยหว่างาม ด้วยสมมุติของโลกเขาเคยสมมุติมาอย่างนั้นเราไม่เคยศึกษาธรรมะภายในเลยเข้าใจไปตามสมมุติของเขาพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาเรื่องของกรรมราคะเพื่อจะถอดถอนจิตใจไม่จิตปรุงหลงไหลด้วยอุบายวิธีต่างๆแล้วแต่จริตนิสัยของใครจะพิจารณาอะไรเพื่อการถอดถอน โดยมากกวดสอนให้พิจรารณาถาตุขันเพราะทุกท่านมีธาตุมีขันหลงกันเพราะรูปอันนี้เมื่อพิจรารณาตามเป็นจริงของมันธาตุขันอันนี้มันเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งขี้เน่าขี้เหม็นขี่ส ก, กรปรกของปฏิกูลเอามาบารุงรักษาอาหารการขบขันหรือการรับทานของเรานั้น ปกติถ้าหากไม่หิวมันไม่มีข้อม <c oughs> สะอาดอยู่ในนั้นมันเป็นข้องเน่าเราทิ้งเอาไว้ไม่จีวันจีเวลามันก็เน่าก่อเสียไปร่างกายของเราเติบใหญ่เพราะข้องเน่าข้องเหม็อนอย่างนั้นยิ่งเอาเข้อมาใส่ในปากเกี่ยวด้วยฟันถูกน้าลายคุกเข่ากันเข้า ออกมาเป็นอย่างไรปฏิกูลไหมร่างกายมันใหญ่โตขึ้นก็เพราะของปฏิกูลอย่างนี้เหมือนพืชพันธุ์ต่างๆที่ใดมีปุ๋ยมากสกปรกอย่างบัวดอกมันสวยงามมันเกิดขึ้นจากโคลนตมซึ่งสกปรกแต่มันเจริญขึ้นได้ถ้าหากที่ได้ไม่สกปรก เอาไปปลูกไปฝังลงไว้มันกว่าเหี่ยวก็แห้งกว่ตายไปร่างกายของพวกเราทันก็่ฉันนั้นเหมือนกันมันอยู่ด้วยของสกปรกไหลออกมาทางจมูกทางตาทางหูทางปากทวานหนักทวานเบาหรือตามเนื้อตามตัวปฏิกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามไม่ใช่ของหอมหวนชวนดมแต่เราไม่ได้พิจารณาทางธรรมะก็เลยหลง ว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เรื่องของกามจิตใจของเราเยึดมัน่นจิตใจของเราชอบจิตใจของเราหลงจึงไปถือว่าเป็นของจำเป็นเป็นของสำคัญกามนั้นให้ทุกข์ให้โทษคนใดตกลงไปสูเรื่องของกามคนนั้นวุ่นวายเหมือนตกหลุมผ่านเพลิงมีแต่ความเดือดร้อน แผาเผาถ้าคนได้ออกได้ออกทางกายออกทางใจมันสุขมันสบายไม่วุ่นวายกังวลในเรื่องเหล่านั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมีอยู่ในโลกแต่คนที่ออกได้พิจาณาได้ถอนใจได้มันเย็นมันสบายพระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องของ กามมาตัณหาเป็นทุกเป็นโทษแก่บุคคลที่คลองจิตคิดแวะแผ่นจึงสอนให้พิจารณาเพื่อจะละมันไม่มีอะไรนอกจากใจไปลุ่มหลงเท่านั้นเหมือนกันกับเด็กอมนิ้วมันไม่สุขไม่สบายอะไรให้แต่ใจมันติดมันคิดมันปรุงว่าเราได้อย่างนั้นแล้วดีอย่างนี้ ความจริงเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนเรื่องของกามจึงเป็นเรื่องเผาใจของสัตว์สำคัญผานจึงให้พี่เจนาเผื่อละเผื่อถอนสมุทยัยได้มาแล้วยึดมัน่นเอาไว้ไม่อยากให้สิ่งนั้น <c oughs> แต่ผันออกไป <c oughs> ไม่ว่าส่วนบุก คนส่วนมีชีวิตหรือหาชีวิตมีได้ห่วงแหนเอาไว้แต่สิ่งนั้นมันก็เป็นอนาาัตตาบอกไม่นอนสอนไม่ได้มันเป็นไปในตัวของมันเองห้ามไม่ฟันเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็ผิดหวังใจก็เกิดทุกข์อีกภาวะตันหาเรามีอยู่อย่างไรเราเป็นอยู่อย่างไรอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนั้นคือจิตใจ ไม่เห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นมันจริงยึดมั่นเกิดทุกข์วิภาวตั่นหาสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีเกิดมาแล้วจะให้มันคงที่มันจะมีที่ไห น, นแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นอยู่อย่างนั้นหาของไม่มีหาตลอดปีตลอดชาติมันก็ไม่พบให้นี่คือเรื่องสมุทยัยเรื่องใจจะเกิดทุกข์เกิดทุกข์เพราะ ความลุ่มความห ล, มคมลงความยึดความถือความสิตความค้องการภาวนาคือการเข้าไปแก้จุดที่ไปเกาะเกี่ยวพวกพันจิตข้องต่างๆให้หลุดออกไปให้ตกออกไปเมื่อเราแก้ได้นิโรธคือความดับสนิทของทุกภายในใจใครเล่าจะเห็นใครเล่าจะบอกให้ เราเองเป็นคนเห็นเป็นคนบอกเป็นคนรู้เพราะธรรมะเป็นสัรพิฏฐิโก ร, รู้เองเมื่อเราแก้ไขใจของเราขาจากความติดข้องเราก็ทราบว่าอันนี้คือนิโรธคือความดับทุกข์ได้สนิทถึงร่างกายมันจะแปรผันไปอย่างไรโลกเขาจะสมมติมันหมายอย่างไรเราทราบ จริงสมมุติเป็นอย่างไรแล้วก็ทราบจริงอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นอย่างไรแล้วทราบเราจึงไม่มีปัญหาการเจะพิจารณาให้เห็นเพื่อการละถอนความติดข้องข้องใจนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ามัดคือทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตามดับทุกสิ่นทุกนั่นผู้ที่ศึกษาเราเรียน ก็จะทราบได้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาาสัมมากัมมันตุสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นบาลีย่นเข้ามาในมรรคทั้งแปดก็ลงมาสู่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาย่ยนเข้ามาก่อนมาสู่กายวายาใจอีกมีแต่อยู่ในตัวของเราทั้งนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่าน ประกาศออกไปแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นคนใดที่นิพิจานาคิดค้นเผื่อสอนตนเพื่อความสงบสุขคนนั้นได้ชื่อว่าศึกษาธรรมะอ่านธรรมะออกเพราะอ่านจิตอ่านใจของตัวออก่วดีผิดถูกอะไรทราบด้วยสติที่นิจิจานารอบคอบด้วยปัญญ า, าอ่านข้างนอก อ่านเท่าไรก็หลงไปเท่านั้นมีความรู้เท่าไรแทนที่จะแก้ไขโรคโกรหลงราชาตันหาทางใจมันไม่ตกไม่ออกให้มีแต่เกิดทิศขีมานะว่าเราเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้นักธรตรีนักรับโทนักธรกเอกมหาบาลียนหรือเรื่องของโลก็กตั้งแต่ประถมมัธยมอุดม มหาวิทยาลัยยาลัยเราเรียนจบมาแล้วเลยเกิดทิตฐิมาฮนะแต่เราเป็นคนควรแก่เรียนคนอื่นจะมาดูหมิ่นนินทาไม่ได้ทั้งทั้งที่ยิเลศในจิตในใจยังไม่มีอะไรตกหล่นออกไปยิ่งเพิ่มเติมทิตฐิมานะแรงกล้าขึ้นไปนี่คือเรียนทั้งโลกเกิดประโยชน์สำหรับโลก แต่สำหรับจิตใจเกิดประโยชน์ได้ยากหากมากทำภายในไม่มีอะไรก็ บ, บริกรรมพุโทโธพุโทโธให้จิตใจอยู่ในพุโทโธคือเป็นผูดตื่นอยู่เสมอรู้อยู่เสมอพุทธะเบิกบานอยู่เสมอไม่หุบเหี่ยวเราทำได้จิตใจของเราไม่เคยเย็นไม่เคยสบาย มันจะเย็นจะสบายไม่เคยรวมรวมรวเคยรวมกว่าจะรวมลงรวมให้เหมื่อมันลงรวมหรือเย็นสบายได้ถึงความรู้จะไม่มากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเขาแต่เราก็รักษากายใจของเราให้สงบให้อยัดเย็นได้เราก็สุขเราก็สบายเพราะเรารักษาตัวของเราได้ สงบเป็นอย่างไรไม่ต้องไปดูตามตำหลับตำลาแต่เราเห็นเราเป็นในตัวของเราเขาจะสมมติอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาความเปลี่ยนความเห็นของเราเป็นอย่างไรเราประทัดใจของเราเพราะการกระทำบาเพ็ญ น, นี่เอาเ ย, อยอ่อยย่อชี้แจ น, นะเขามาภายในสมัยพุทธกาลถอนกันอย่างนั้นพอได้รับ การแนีสอนจากพระพุทธเจ้ากรรมฐานจิต ท, ทันหาไปก็ไปฝึกอบรมสอนใจของตัวเพื่อความสงบความรู้ความฉลาดจะมากขนาดไหนถ้าใจไม่สงบใจไม่เห็นแจ้งรู้ไปเท่าไรก็หลงไปเท่านั้นห้องจิตไปเท่านั้นถ้าแก้ไขจิตใจของตัวได้รู้สั้นๆรู้กายรู้ใจของตัว ทั่วถึงเท่านั้นเป็นโลเกาวิถูลู้แจ้งโลกจะมีอะไรสงสัยในโลกอันนี้อดีตเป็นมาอย่างไรอนาคตจะเป็นไปอย่างไรปัจจุบันมันบอกให้ถ้าเรายังมีโลมีโกรธมีหลงต่อไปข้างหน้า่าเราควนเขาไปเกิดเมื่อใจโลภจะหลงอยู่นั้นถ้าเราหมดโลหมดโกรธหมดหลงเมื่อไรพบชาติที่มันจะไปเกาะเกี่ยวอาศัยมันก็ทราบ ว่ามันหมดไปมันไม่มีเพราะเราทำลายมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องโล ก, กับวิธูภายในเข้าใจภายในจิตใจของตัวเท่านั้นคนที่เคยมีราคาจันหาโหลธโกดลงให้ทุกให้ทษอย่างไรคนทีละได้ในสมัยพุทธกาลหรือนานกว่านั้นทันนี้ความสุขความสบายภายในใจอย่างไรเราเห็น เพราะการละการบําเพ็ญของเราจึงไม่มีทางสงสัยอนานะคตต่อไปก็ทําน้องเดียวกันคนใดยังมีทุกมีโทษยังมีโลภมีโกรธมีหลงเขาคนนั้นก็เหมือนกันกันกบเราโลภเราโกรธเราหลงความสุขความสบายใจมันคงเส้นคงวางมันเป็นไปไม่ได้ทุกโทษจะต้องแผบเผาตัวของเราอยู่เรื่อยไป ถ้าเราแกไขหมดไปได้อดีตหรืออนาคตคนที่หมดโลภโกรธหลงหมดกิเลสตัณหาเป็นอย่างไรเราดูภายในของเราเราทราบประเทศไหนชาติไหนโลกไหนก่อดตามหากไหม่ประพฤติคุณงามความดีไหม่ประพฤติเพื่อความสงบสุขไหม่ประพฤติเพื่อความพ้นทุกข์มันไม่มีทางที่จะถึงธรรมะอันจริงจังได้ สมัยปัจจุบันเขามียานพานณะต่างๆไปเจี่ยวโรคพระจันอังคารอะไรต่ออะไรสิเขาพูดกันไปไปที่ไหนก็ไปเถอะถ้าจิตใจมีกิเลสตัณหาโลกไหนก็โลกนั้นแ่ะสุขก็เพราะความพอใจทุกข์ก็เพราะความไม่พอใจแล้วสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจนั้น มันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมันมีอยู่ในหัวใจของคนคนหม่สำระสาสางเมืม่อใดสิ่งเหล่านั้นถึงจะพามันไปโลกพระจันทรางคานมันก็ติดตามไปมันจึงไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกับคนอยู่ในโลกมนุษย์ธรรมดาถ้าหากเราละเร า, า, าถอนเรื่องราคาตัญหามานะจิิฝึกอบรมจิตเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าเห็น พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าสอนเราไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรจะหลงลืมความเป็นความเห็นอันนั้นมันไปจากชัดเจนเด่นชัดอยู่ตลอดเวลาใครจะชมเฉยสลรเสริญขนาดไหนอันนั้นมันจะเอีย ง, ยงไปตามเรื่องลมปากของเขาหรือไม่ก็ไม่มีทางสงสัย ใครจะตำน้นี้นิ้นทาขนาดไหนอันนั้นมันจะเศ้าหมองจหายไปที่ไหนมันก็ไม่มีทางเพราะจิตของท่านบริสุทธ์เป็นบีมดุดไม่มีสมมติอันใดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเห็นท่านเป็นอย่างนี้ท่านจึงสุขจึงสบายทุกอิเลียบทสำหรับจิตของท่านแต่เรื่องเรื่องของร่างกายมันก็มีเกิดมีตายเหมือนกัน มันเกิดมาแล้วมันเสียตรงตาหน้าตี่ข้องมันแต่ท่านไม่หลงไหลท่านไม่ได้เสียใจเพราะท่านบําเพ็ญอัตธรรมรู้เห็นเด่นชัดเต็มที่เหมือนกันกับเราทานอาหารอิ่มอมดหมดแล้วใครจะเก็บออกไปก็เจ็บออกไปเถอะถ้วยจานเหล่านี้ถึงอาหารจะยังมีอยู่ก็าตามเพราะเราทานอิ่มแล้วถ้าเราทานยังไม่อิ่มนั่นแหละจะเกิดสงครามกันขัดตีกัน ท่านกำลังหิวยังไม่อิม่มทำไมเก็บจะทะเลาะวิวาทกันถ้าท่านอิ่มแล้วไม่เป็นไรยกออกไปท่านไม่สิเสียใจไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวหรือคนแก่ถ้าจิตใจเข้าไปถึงอาจถึงทำจริงจังแล้วท่านไม่มีอะไร สงสัยท่านไม่มีอะไรห่วงใยในเรื่องของชีวิตท่านสุขท่านสบายเหมือนเดิมตายหรือเป็นอยู่นี่คืออ น, นิสงส์เห็นไปจากชัดเจนในผู้ประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นจะเห็นจะรู้อย่างนั้นก็ออาศัยพวกเราท่านกระทำบาเพ็ญไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้โดยไม่ได้ทำอะไร บ้านช่องของเราที่ได้อยู่ได้อาศัยก็เพราะเราปลูกขึ้นทําขึ้นอาหารการกินของเราจะมีมาก็เพราเราแสวงหาธรรมะศีลสมาธิปัญญากวดทานองเดียวกันเราต้องลงมือทําต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราจึงจะสงบสงบัดจิตใจของเเราจึงจะลงรวมได้จิตใจของเราจึงจะเกิดปัญญา สามารถลาาถอนความจิตข้องเสารหมองขล้องใจได้แต่นั้นพวกเราท่านถ้าเห็นว่าจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกขอควรนำไปพินิษพิจนาลงมือประพฤติปฏิบัติรักษาเพื่อความสงบสุขต่อไปไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะสงบระงับให้มีแต่วันจะลงไหลไฟฟัน <c oughs> ยึดติดคิดปรุงอยู่เรื่อยไปแทนที่จะได้รับความสุขของใจเลยเกิดทุกข์เกิดโทษเพราะหลง <c oughs> สิ่งนั้นไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงของมันเมื่อมันแปรผันไม่สมหวังมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวข้องตัวการปฏิบัติธรรมะการภาวนาการละกิเลสเป็นจิตของทุกคน ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่นาทีของพิกษุสามเณรของนักบวชถ่ายเดียวคนมีกิเลสทุกคนมีนาทีจะปฏิบัติข่มขี่กิเลสของตนให้หมดให้หายให้เหียดให้แห้งกิเลสก็ผูดไว้แล้ว่เหมือนโรคไข้ไม่รักษาไม่มีทางหายแต่นั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะเสียชีบายมานี้ ไปพินิจพิจาณาศึกษาทำความสงบเย็นใจของตัวให้ได้ความสุขความสบายจะเป็นของของเราการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรกี่เวลาพยุติเพียงแค่นี้เอวัง <c oughs>